เนื้อหาในรายการมีที่มาที่สามารถอ้างอิงได้รายการนี้เป็นเพียงการเล่าเรื่องเพื่อให้ความรู้และเพื่อการรับรู้ข้อมูลความเชื่อการปฏิบัติของครูบาอาจารย์จากสายต่างๆรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่ค้นหามาเล่าทั้งเรื่องในตำนานนิทานและสิ่งลี้ลับโดยมิได้เจตนาพาดพิงถึงบุคคลใดเพื่อให้เกิดความเสียหายทั้งทา ง, ทงตรงและทางอ้อมหากรายการนี้ทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเดือดร้อนทางผู้จัดทำกราบขออภัย มาณะที่นี้ก่อนยุครัตนโกสินทร์พระราชวังของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในสมัยกรุงธนบุรีนั้นตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นทําเลที่ไม่เหมาะสมในการขยายเขตพระราชวังและเมืองและเพราะพื้นที่บริเวณนั้นถูกขนาบข้างด้วยพระอารามทั้งสองแห่งคือวัดแจ้งกับวัดท้ายตลาด ซึ่งในลักษณะของพื้นที่ที่มีแม่น้ำทอดผ่านกลางเมืองนั้นย่อมยังผลให้พระราชวังที่ตั้งอยู่ในบริเวณฝั่งคุ้มน้าสามารถถูกน้ำเสาะเข้าไปได้ทุกเวลานานวันย่อมเป็นอันตรายแก่พื้นที่ของพระราชวังและประการสำคัญสมัยก่อนบ้านเมืองอยังต้องทำศึกสงครามการตั้งแนวประการและคูเมืองทั้งสองฝั่งทาให้การรักษาบ้านเมืองนั้นเป็นไปได้โดยไม่ใครจะทันท่วงทีเพราะต้องข้ามแม่น้าไปมานั่นเอง รัชการที่หนึ่งทรงตระหนักจุดอ่อนต่างๆได้ดีเพราะแต่ก่อนก็ได้เคยรักษาเมืองพิษณุโลกไว้ในคราวสู้รบป้องกันคราวสึกกับกองทัพของอาแชบุ่นกี้ลักษณะแม่น้ำกลางเมืองพิษณุโลกก็มีลักษณะเชยภูมิเดียวกับกรุงธนบุรีครั้นเมื่อพระองค์จะเสด็จขึ้นครองราชและตั้งพระราชวังใหม่จึงทรงมีพระราชดำริเห็นควรว่าจะย้ายพระนครสร้างใหม่ทางฝั่งตะวันออกทั้งหมด ด้วยเพราะบางก อ, อกฝั่งตะวันออกนั้นมีชยภูมิที่เหมาะสมและเป็นพื้นที่ที่ดีเป็นพื้นที่ที่ยื่นออกมาเป็นแหลมที่เหมาะกับยุท ธ, ธศาสตร์การรบการสร้างพระนคร น, นั้นได้กําหนดการสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นก่อนพระบรมมหาราชวังชั้นนอกมีกําแพงล้อมรอบ ส่วนพระบรมมหาราชวังและพระอารามหลวงสร้างสําเร็จเมื่อปีพุทธศักราช2328รวมระยะเวลาทั้งสิ้น3ปีเมื่อย้ายเมืองหลวงจากกรุงทนบุรีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่บางกอกฝั่งตะวันตกมาอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วได้เร่งการสร้างพระราชวังโดยพระราชทานนามว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินท أ ยุทยาสถานที่ตั้งพระนครใหม่เดิมเรียกว่าบางกอก ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังก็มีการสร้างพระราชวังบวรณสถานมงคลไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้เป็นที่ประทับของพระอนุชาคือสมเด็จพระบวรราชามหาสุรศิหานาถหรือตำแหน่งวังหน้าระหว่างกลางของวังหลวงกับวังหน้านั้นเป็นพื้นที่สนามขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังศฤษดิ์คือทุ่งพระเมรุซึ่งแต่แรกนั้นใช้เป็นพื้นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศสานุวงศ์ ซึ่งต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเรียกจากทุ่งพระเมนเป็นท้องสนามหลวงดังที่ปรากฏว่าที่ท้องนาหน้าวัดมห า, าธาตุนั้นคนอ้างการซึ่งนานๆมีครั้งหนึ่งและเป็นการอาวมงคลมาเรียกเป็นชื่อตำบลว่าทุ่งพระเมนนั้นหาชอบไม่ ตั้งแต่นี้สืบไปที่ท้องนาหน้าวัดมห า, าธาตุนั้นให้เรียกว่าท้องสนามหลวงบทบาทของท้องสนามหลวงนอกจากใช้ในพระราชพิธีต่างๆ พื้นที่นี้ยังเคยเป็นที่ทำนาด้วยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำนาที่สนามหลวงเพื่อแสดงถึงความบริบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารให้ปรากฏแก่นาน า, นาประเทศว่าเรามีไร่นามากมายและมีอยู่ในบริเวณใกล้พระบรมมหาราชวางังอันหมายถึงการเอาใจใส่ในการสะสมสเสบียงอาหารไว้เป็นกาลังของบ้านเมืองด้วยนั่นเอง ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากทรงใช้สนามหลวงสำหรับประกอบพระราชพิธีต่างๆยังเคยทรงใช้เป็นสนามแข่งม้าและสนามตีกอล์ฟอีกด้วย มาถึงในสมัยปัจจุบันสนามหลวงได้ถูกใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีสําคัญเช่นงานพระเมรุมาตเจ้านายระดับสูงเช่นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฏฐมรามาธิบดินทรสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ทิราบรมราชเทวีพระพันวัสาอยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากมมารมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันวดีจนเมื่อพุทธศักราช 2,560 ทางกรมศิลปากรได้นำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรในการประกอบพระราชพิธีออกพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชงานพระบรมศพแรกของทุ่งพระเมรุหรือสนามหลวงเป็นงานถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิของสมเด็จพระชนกาธิบดีพระชนกของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1และสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาฏในปีพุท ทศกราด 2,338 นั้นเป็นช่วงที่บ้านเมืองมีเหตุการณ์วุ่นวายการพระเมนจึงไม่ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่อย่างการพระบรมโกศของพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงเก่านักเพราะเวลานั้นเหล่าเจ้าพี่เจ้าน้องพระราชวงศานุวงศ์ต่างๆก็ไม่ได้มาอยู่พร้อมหน้ากันแต่งานสำคัญนี้พระเจ้ากรุงกรัรมพูชาก็จัดแต่งทูตให้คุมสิ่งของเข้ามาทุลถวายในการพระเมนด้วย ในการพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งได้บันทึกไว้ดังนี้เจ้าอนำกกและองค์สมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีเจ้ากรุงกัมพูชาเมื่อได้ทราบข่าวก็แต่งทูตให้คุมสิ่งของเข้ามาทุนกล้าวทุนกระมอมถาวายช่วยในการพระเมนทั้งสองเมืองครั้นณเดือน5ปีมะโรงอัทธศกจุลศักราช1นึการพระเมนสร้างเสร็จแล้ววันขึ้นสิาค่ โปรดให้แห่พระบรมสารีริกธาตุออกมาสู่พระเมนมีการมห่รศบสมโพธิสามคืนสามวันแล้วครั้นวันแรมหนึ่งค่ำจึงแห่พระบรมอัฐิสมเด็จพระชนากาธิบดีสู่พระเมนการกระบวนแห่พระบรมอัฐิครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จทรงพระราชยานโยงพระบรมอัฐิเองสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรนสถานมงคลก็ทรงพระราชยานโปรยข้าวตอกนามาในกระบวนและพระราชวงศานุวงศ์ทรงรูปสัตว์สังเกตประคองผ้าตรายเข้าในกระบวนแห่ด้วยหลายพระองค์ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนั้นเป็นอเนกประการ อันหนึ่งในการมโหสถสมโพธพระบรมอัฏฐิครั้งนั้นมีขนชักรอกโรงใหญ่ทั้งขนวังหลวงและวังหน้าและประสมโรงเล่นกลางแปลงเล่นเมื่อศึกทศกันยกทัพกับสิบขุนสิบรถขนวังหลวงเป็นทัพพระรามยกไปแต่ทางพระบรมมหาราชวางัง ขนวังหน้าเป็นทัพทศกัณยกออกจากพระราชวังบวรมาเล่นรบกันในท้องสนามหน้าพลับพลาถึงมีปืนบาเรี่ยมรางเกวียนลากออกมายิงกันดังสนั่นไปหมดครั้นถึงวันแรมห้าค่ำเชิญพระบรมาธาตุแห่กลับ แล้วเวลาบ่ายวันนั้นเวลาถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิด้วยไม้หอมต่างๆและในเวลาที่ถวายพระเพลิงพระบรมอัฐินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลช่วยกันทรงเชิญพระจิตตกาทานซึ่งประดิษฐานพระบรมอัฐิไว้ด้วยพระหัตจนถวายพระเพลิงเสร็จรุ่งขึ้นโปรดให้แห่พระอังคารไปลอยตามพระราชประเพณี แต่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี้ได้มีการสร้างพระมหาพิชัยราชรถเพื่อใช้เชิญพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกออกถวายพระเพลิงณพระเมรุ ม, มาตรท้องสนามหลวงดังในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ความว่านับตั้งแต่นั้นมาพระมหาพิชัยราชรถจึงใช้สำหรับเชิญพระโกศพระบรมศกพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีและพระบรมวงศสานุวงศ์ผู้ทรงอิสริยยศชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าและมีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณว่าหน้าโรงเก็บราชรถจะไม่มีการสร้างถนนไว้และกำแพงด้านหน้าโรงราชรถจะไม่มีทางออกเมื่อถึงคราวมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงจึงสร้างถนนลาดยางเพื่อ น, นำราชรถออกมาและรื้อถนนออกเมื่อเสร็จสิ้น พระราชพิธีส่วนกำแพงโรงราชรถก็ต้องทุบออกและเมื่อเสร็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงก็ต้องก่ออิดปิดทันทีเพราะถือเคล็ดว่างานที่ต้องใช้พระราชรถอัญเชิญพระโกรธนั้นเป็นงานอาวมงคล พระมหาพิชัยราชรถมีความสูง 1,120 เซนติเมตรยาว 1,530 เซนติเมตรเป็นราชรถที่ทำด้วยไม้สักทองปิดกระจกและทองคำเปลวบริสุทธิ์รายรอบบุษบกเป็นพญานาคและมีรูปของเทวดาอยู่ด้านล่าง มีการย่อมุมไม้12ใช้พลดึงทั้งหมดสองนายได้ใช้ในการอัญเชิญพระโกดังนี้ครั้งที่1ปีพุทธศักราช2339เชิญพระโกดพระบรมอัจิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกครั้งที่สองปีพุทธศักราชสองพเชิญพระโกดพระศพสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระพี่นางเธอในรัชกาลที่1ครั้งที่ส ปีพุทธศักราช 2,355 เชิญพระโสดพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งพระบรมอัฐิของพระชนกได้อัญเชิญเข้าประดิษฐานในพระโกธทองคาประดับพลอยและทับทิม ตั้งไว้บนหอนมรสการในพระบรมมหาราชวังส่งสักการะบูชาและให้พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการต่อมาเมื่อพระเมรุมาตรก่อสร้างเสร็จแล้วในปีพุทธศักราช2 3 3 9จึงได้มีพิธีแห่พระบรมอัฐิออกสู่พระเมรุมีมหระพ ส, สมโพธเป็นเวลาเจวันเมื่อเสร็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงได้อัญเชิญพระบรมอัฐิกลับประดิษฐานณหอพระสุราลัยพิมาน ในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกยังได้โปลดกล้าวโปรดกระหม่อมให้หล่อพระพุทธรูปปฏิมากรปางห้ามสมุดหุ้มทองคำประดับนวรัตขึ้นองค์หนึ่งถวายพระนามว่าพระพุทธจักรพัททรงอุทิศส่วนพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระปฐมบรมมหาราชนกพระพุทธรูปพระองค์นี้ประดิษฐานไว้ณหอพระในพระบรมมหาราชวังประเทศไทย พระราชพิธีจัดที่ท้องสนามหลวง โดยมีมหาเวชยันราชรดและจัดกระบวนแห่พระบรมโกศพระอัฐิตามแบบพระราชโบราณประเพณีชาวบ้านชาวเมืองก็พากันมาชมกระบวนพระอิสริยยศที่สนามนี้แต่ธรรมเนียมการมาเข้าเฝ้าชมกระบวนแห่ในสมัยก่อนนั้นเมื่อผนวกกับการเฝ้ายามที่พระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จผ่านไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินนั้นต้องก้มหน้าลงพื้นมองแต่เพียงเงาที่ผ่านไปเสียก่อนแล้วจึงสามารถเงยหน้ามาเมื่อกระบวนนั้นไปไกลแล้ว แต่เหล่าข้าราช บ, บริพารใกล้ชิดเท่านั้นที่ยกเว้นไม่ต้องก้มหน้ามองพื้น